ธรรมบทแปลเรื่องพระเจ้าประเสรที่โกศลภาคที่หเรื่องที่162สองพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารพพระเจ้าประเสรที่โกศลตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าอาโรขยาปรมาลาปาเป็นต้น ตอนพระราชาเสวยพระกระยาหารจุความพิสดารว่าในสมัยหนึ่งพระราชาเสวยพระกระยาหารตั้งทนานแห่งข้าวสารด้วยสูบะและพะยัญชนะอันสมควรแก่พระกระยาหานั้นวันหนึ่งเท้าเธอเสวยพระกระยาหารเช้าแล้ว ยังไม่บรรเทาความเมาเพราะพัดเลยสเสด็จไปสู่สำนักพระสาสดามีพระวรากายอึดอัดทรงพลิกกลับไปกลับมาข้างโน้นข้างนี้อยู่แม้ถูกความหลับครับงำเมื่อไม่สามารถจะทรงพระทมตรงได้จึงประทับนั่งนะส่วนข้างหนึ่งกระนันประสาสดา ตรัสกับท้าวเถ๋อว่ามหาบพิตรพระองค์ยังไม่ทันพักผ่อนเลยสเสด็จมาแล้วหรือพระราชาอย่างนั้นพระชก้าตั้งแต่เวลาบริโภคแล้วหม่อมฉันมีทุกข์มากลำดับนั้นพระาศาสดาจึงตรัสกับท้าวเตอว่ามหาบพิตรการบริโภคมากเกินไปเป็นทุกข์อย่างนี้หน่นี้แล้ว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 มหักคสโฌจะนินทายิตาสัมปะริวัติสายีมหาวราหูวะนิวาปะปุโถโธปุนบปุนังคัพะมุเปติมันโทติเมื่อตรัสประกาานี้แล้วจึงตรัสต่อไปว่ามหาปพิธการบริโภคโชนะแต่พอประมาณจึงควรเพราะ ผู้บริโภคพอประมาณย่อมมีสุขก็เมื่อจะทรงโอวาทให้ยิ่งขึ้นจึงตรัสพระกาตานี้ว่าพ้นมีสติทุกเมือ่อรู้ประมาณในโภชนะที่ได้แล้วมีเวทนาเบาบางอาหารที่บริโภคแล้วเลี้ยงอายุอยู่ค่อยๆ ย, ย่อยไปบาลีว่ามนุชัสสะสะทาทธา สติมะาโตมัตตังชานโตลัทธโภชนีตนะนุ ก, กัสะพระวันติเวทนาสะนิกังชีรติอายุปาละยันติก็เมื่อพระราชาไม่อาจจะทรงเรียนพระคาถาได้แต่ตรัสกับพระเจ้าหลานชื่อสุทัศนะซึ่งยืนอยู่ในที่ใกล้ว่าพ่อ เธอจงเรียนคาถานี้สุทัศนะนั้นเรียนคาถานั้นแล้วทูลถามพระาศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จากกระทําอย่างไรพระเจ้าข้ากระนั้นพระาศาสดาจึงตรัสกับเธอว่าก็าเมื่อพระราชาสวยอยู่ท่านพึงกล่าวคาถานี้ในการสวยก้อนข้าวก้อนสุดท้าย พระราชาทรงกําหนดเนื้อความได้แล้วจะทรงทิ้งก้อนข้าวนั้นในการหุงพัดเพื่อพระราชาเธอพึงให้ลดข้าวสารมีประมาณเท่านั้นด้วยอันนับเมล็ดข้าวในก้อนข้าวนั้นสุทัศนะจึงทูลรับว่าดีหละพระเจ้าข้าก็เมื่อพระราชาเสวยเวลาเช้าก็ตามเวลาเย็นก็ตามก็กล่าวคาถานั้นขึ้น ในการสวยก้อนสุดท้ายแล้วให้ลดข้าวสารด้วยอันนับเมล็ดในก้อนข้าวที่พระราชา น, นส่งทิ้งแม้พระราชาทรงสดับคาถาของสุดรส น, นั้นแล้วก็รับสั่งให้พระราชาทานทรัพย์ครั้งละหนึ่งพันตอนพระราชาทรงลดพระริยาหารได้แล้วโดยสมัยอื่นอีกพระราชา น, น ทรงตั้งอยู่ในความเป็นผู้มีพระกาหารแห่งข้าวสารขนาดหนึ่งเป็นอย่างยิ่งทรงถึงความสุขแล้วได้มีพระสรีระหันเบาภายหลังวันหนึ่งเท้าเธอเสด็จไปสำนักของพระาศาสดาถวายบังคมแล้วทูลบ่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัดนี้ความสุขแท้เกิดแก่หม่ฉันแล้ว หม่อมฉันเป็นผู้สามารถจะติดตามจับเนื้อก็ได้ม้าก็ได้เมื่อก่อนหม่อมฉันมีการยุทธกับหลานบัดนี้หม่อมฉันให้ทิดาชื่อว่าวชิรกุมารีแก่หลานแล้วให้หมู่บ้านนั้นทําให้เป็นค่าน้ําอาบของธิดานั้นนั่นแลความทะเลาะกับหลานนั้นสงบแล้วสุขแท้เกิดแล้วแก่หม่อมฉันเพราะเหตุแม้นี้ แม้แก้มณีของพระเจ้ากุสะซึ่งหายไปแล้วในเรือนของหม่อมฉันในวันก่อนบัด น, นี้แก้มณีแม้นั้นมาสู่เงื้อมือแล้วความสุขแท้เกิดแล้วแก่หม่อมฉันเพราะเหตุแม้นี้หม่อมฉันปรารถนาความคุ้นเคยกับเหล่าสาวกของพระองค์จึงทำแม้ที่ดาแห่งญาติของพระองค์ไว้ในเรือนความสุขแท้เกิดแล้วแก่หม่อมฉัน เพราะเหตุแม้นี้พระาศาสดาจึงตรัสว่ามาบพิตชื่อว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งทรัพ์แม้เช่นกับความเป็นผู้สันโดษ ด, ด้วยวัตถุตามที่ตนได้แล้วไม่มีชื่อว่าญาตเช่นกับด้วยผู้คุ้นเคยกันไม่มีชื่อว่าความสุขอย่างยิ่งเช่นกับด้วยปรานิพานก็ไม่มี จึงตรัสพระกาถานี้ว่าลาบทั้งหลายมีความไม่มีโรคเป็นอย่างยิ่งทรยบมีความสันโดษเป็นอย่างยิ่งญาตมีความคุ้นเคยเป็นอย่างยิ่งพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งบาลีว่าอะโรขยาประระมาลาภาสันตุติปะระมังทนัง วิสาสะประมายาตินิพพานังปรมังสุขังก็ในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าอะโรขยาปรมาแปลว่ามีความไม่มีโรคเป็นอย่างยิ่งข้อนี้หมายความว่ามีความเป็นผู้ไม่มีโรคเป็นอย่างยิ่งยิ่งอยู่ลาบทั้งหลายแม้มีอยู่แก่คนมีโรค ไม่จัดเป็นลาบแท้เพราะฉะนั้นลาบทั้งปวงจึงแม้แก่คนไม่มีโรคเท่านั้นเหตุนั้นพระผู้มีพระบาเจ้าจึงตรัสว่าโรคขยาปรมาลาป่าคำว่าสันตุถังปรมังทะหนังแปลว่าทราบมีความสันโดษเป็นอย่างยิ่งหมายความว่าภาวะคืออันยินดีด้วยวัตถุ ที่ตนได้แล้วซึ่งเป็นของมีอยู่แห่งตนของเครหัตหรือบรรพชินนั่นแลชื่อว่าสันโดษสันโดษนั้นเป็นทรัพย์หันยิ่งกว่าทรัพย์ที่เหลือส่วนคำว่าวิสาสะประมายาติแปล ว, ว่าญาตมีความคุ้นเคยเป็นอย่างยิ่งหมายความว่ามาดาก็ตามบิดาก็ตามจงยกไว้ ไม่มีความคุ้นเคยกับคนใดคนนั้นไม่ใช่ญาติแต่แต่มีความคุ้นเคยกับคนใดคนนั้นแม้ไม่เนื่องกันก็ชื่อว่าเป็นญาติอย่างยิ่งคืออย่างสูงเหตุนั้นพระผู้มีพระบ่าเจ้าจึงตรัสว่าญาติมีความคุ้นเคยเป็นอย่างยิ่งอันหนึ่งชื่อว่าความสุขเหมือนพระนิพพานไม่มีเหตุนั้นพระผู้มีพระบ่าเจ้า จึงตรัสว่านิพพานังพรามังสุ ข, ขังคือนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งในการจบเทสนาชนเป็นเอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิพลเป็นต้นนังนี้แหละเรื่องพระเจ้าปเสนที่โกศลจบสังยุตติกายโทนะปากาสูตรว่าด้วยการหุงข้าวสารธนานหนึ่ง เล่มที่ส5ข้อที่364้อสมัยนั้นพระเจ้าประสิท์ที่โกศลทรงสวยพระขยาหารที่หุงด้วยข้าวสารตนันหนึ่งทรงอึดอัดเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคตึงที่ประทับถวายภิวาดแล้วนั่งนะที่ควรข้างหนึ่งครานั้นพระผู้มีพระภาค ทรงทราบว่าพระเจ้ า, าเบรเซนที่โกศลทรงอึดอัดจึงตรัสกาถานี้ในเวลานั้นว่ามนุษย์ผู้มีสติอยู่ทุกเมื่อรู้ประมาณในโภชนะที่ได้แล้วย่อมมีเวทนาเบาบางเขาย่อมแก่ช้าอายุก็ยังยืนบาลีว่ามนุษย์ชัดสัสตาสติมะโต มัตตังชาณะโตละทะโโชเนตนุกัสสภวันติเวทนาสะนิกังชีรติอายุปาละยันติก็สมัยนั้นมานพชื่อสุทัศนยืนอยู่เบื้องหลังของพระเจ้าประสิที่โกศลพระเจ้าประสิที่โกศลรับสั่งเรียกสุทัศนมานพมาแล้วตรัสว่ามานี่สิสุทัศน เธอจงเรียนคาถาของพระผู้มีพระภาคแล้วจงกล่าวในเวลาที่เราเสวยพระกรยาหาันอันหนึง่งเราจะให้ค่าจ้างแก่เจ้าวันละหนึ่งกหาพนะสุทัสสนามาณพรับสนองพระดํารัสของพร ะ, พระเจ้าเปรตทีิโกศลแล้วก็เรียนคาถาในสํานักของพระผู้มีพระภาคแล้วกล่าวในเวลาที่พร ะ, พระเจ้าเปรตทีิโกศล เสวยพระกรยาหารว่ามนุษย์ผู้มีสติอยู่ทุกเมื่อรู้จากประมาณในโภชนะที่ได้แล้วย่อมมีเวทนาเบาบางเขาย่อมแกช่ช้าอายุก็ยั่งยืนกระนั้นพระเจ้าเปรตที่โกศลทรงดำรงอยู่ได้โดยเสวยพระกรยาหารทนาหนึ่งเป็นอย่างมากเรื่อยมา ต่อมาพระเจ้าเปรตที่โกศลมีพระวรากายกระปี้กระเป๋าทรงรูปพระวรากายด้วยพระหัตทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงอนุเคราะห์เราด้วยประโยชน์ทั้งสองคือประโยชน์ในปัจจุบันและประโยชน์ในภายภาคหน้าอย่างแท้จริงโธนะปาการสูตร